พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าวิบากกรรมเที่ยงตรงเสมอคนเราโดยมากจะคิดกันลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าคิดเข้าไปส่วนลึกในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธจเจ้าท่านไม่ได้ว่ามันเป็นคนละส่วนกันเหมือนกัน แต่ก็ใช่มันเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนกันแต่ถ้าไม่หนักหนาจริงๆก็พอหนักให้เป็นเบาได้แต่ถ้ามันหนักมาจริงๆมันมันเหลีกไม่พ้นเหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทาในอดีตชาติของเราเนะ่ยมันหนักหนาสาหัสมันเหลีกไม่พ้นมันเหลีกไม่ได้อย่างหลวงพ่อยกแล้วยกอีกคือประโมกคราน ท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ห่อเหินเดินฟ้าได้เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าอีกไปนรกไปสวรรค์ไปที่ไหนไหนไปหมดแต่ผลที่สุดถูกโจนฆ่าไม่น่าเชื่อถ้าปติชนคนทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่น่าเชื่อจะเป็นไปได้ท่านท่านมีบุญหนักสักใหญ่ถึงขนาดนั้นทำไม่จึง เป็นอย่างนั้นได้แต่ตามไม่จริงเป็นมาแล้วพระสมทั้งหลายญาติยโยมทั้งหลายในยุคสมัยนั้นเขาก็โผลทธนากันโจ์ขานกันไม่เช่น้อยผลในสุดก็ไปลงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโมคลาสมควรที่ตนเองได้กระทำไว้ตายเพราะที่ตัวเองได้กระทำไว้ในอดีตชาติช่วยไม่ได้ พกรรมของพระโมคคลาเนี่ยเคยภาพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาติทำอเนกนันตเ ร, รียกรรมมาแล้วตกนรกอเวจีผ่านมาแล้วอันนี้นยังเหลือแต่วิบากวิบากกรรมจึงให้ผลมาตลอดไม่รู้กี่ชาติมาแล้วชาตินี้ก็ชาติหนึ่งถึงท่านโมกคลาจะมีอิทธิฤทธิทธิฤทธิ์นั้นก็ไม่สามารถที่จะเหนือกรรมไปได้ กรรมในเหนืออิทธิฤทถึงจะไปอยู่ในอากาศเหาะเหิรนเริงไปในอากาศก็ไปตายในอากาศเพราะกรรมตัวนี้มันเหนือกว่าเพราะนั้นของคุณก็ถึงท่านจะสร้างบุญสร้างกุศลขนาดไหนบุญกุศลก็คือบุญกุศลมันเป็นส่วนหนึ่งแต่กรรมตัวเองได้กระทําไว้ในอดีตมันจะต้องมาให้ผลเพราะฉะนั้นจึง ท่านจึงกล่าวว่ากรรมชั่วจะทำเสลยดีกว่านะเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำไปแล้วมันจะตามให้ผลเมื่อภายหลังต้องหลีกเลี่ยงหนีถ้าสิ่งไหนที่เป็นกรรมชั่วและอย่าทำถ้าขืนทำลงไปกันน่มีอิทธิฤทธิขนาดไหนก็ไม่เหนือกรรมกรรมให้ผลนะคุณท่พระพุทธเจ้าหรือพระหานทสาวก ยังสงฆ์ผชนอยู่ผู้มีอิทธิฤทธิ์รีอบอดผู้รู้อดีตอนาคตยังมีชีวิตยังอยู่เราก็คงไปถามท่านได้ว่าได้ทำกรรมอันไหนไว้จึงได้รับกรรมเป็นอย่างนี้ท่านกจ็จะได้พยากณรได้เลยว่าอาดีตชาติคงได้เคยฆ่าเขามาก่อนหรือได้เจตนาได้ทำร้ายทำร้ายสัตว์มาก่อน มาพบนชาตนี้ถึงจะสร้างบุญสร้างกุศลกับบุญกุศลก็คือบุญกุศลเรื่องความรวยก็คือความรวยแต่ว่าเรื่องที่ทำมาแล้วน่ก็โทษก็คือโทษมันเป็นแยกกันรวยก็คืออะไรก็คือสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเกิดมาแล้วก็รวย แต่ว่าตัวเองไปตี่งฆ่าเขาๆถึงถึงจะรวยก็เถอะก็ต้องไปติดคุกก็เพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองไปตีไปฆ่าเขากรรมที่ตัวเองไปกระทำนะ่ะมันก็ไปติดคุกแต่รวยความนี้มันจะหายไปไหมมันก็ไม่หายในเมื่อติดคุกเสร็จแล้วพ้นกรรมจากการติดคุกแล้ว ก็มาเฉวยสุขในสมบัติที่ตัวเองได้กระทําได้สร้างเอาไว้เป็นสมบัติของตนเองอยู่มันไม่หายไปไหนโลกมนุษย์มัยังมีการเบียนเบี่ยงเบียนไปทางอื่นได้ปณโลกแล้วมันตรงไหนตรงนั้นตรงยิ่งกว่างไม้บรรทัดซะอีกกรรมคือการกระทําของใครของเราเนี่ยขีดเส้นบรรทัดไปเลย ใครทำอะไรไว้มันเบียดบังกันไม่ได้ถึงจุดนั้นเพราะนั้นจะทำยังไงได้ในเมื่อเรามาถึงจุดนั้นเราก็ต้องรับไม่รับจะทำยังไงเพราะตัวเองทำไว้แล้วเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบ ในศึกษาธรรมะปฏิบัติศึกษาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมกรรมดีกรรมชั่วเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ดึงตายและเกิดตายและสูญในศึกษาในภาคปฏิบัติเมื่อเรียนรู้แล้วเราคงรเว้นในสิ่งที่ควรเว้นทำในสิ่งที่ควรทำทำคืออะไรก็คือสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเอง ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคือจะให้ขาดตกบวกพร่องในการทํามาหาเลี้ยงชีพในทางสุดจริตเว้นก็คือเว้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเบียดเบียนคนอื่นรังแกคนอื่นฆ่าคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นข่าฟันดันแทงคนอื่นอันนั้นเราไม่ควรจะทํา คนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นตลอดทั้งสัตว์ทีระชานด้วยสัตว์ทีระฉานทั้งแต่ตัวมแมลงตัวมกกระดุกกระดิกได้นะคือวิญญาณถ้าเราไปทำให้เขาเขาทุกข์ใจพวกวิญญาณแ่านั้นถึงจะตัวของมันเล็กกว่าจริงอยู่แต่ใจของมันมันใหญ่เหมือนกันนะวิญญาณแต่ถ้าว่าคู่คนหรือว่าสัตว์ขึ้นมาแล้วรู้เดียงสาภาวะแล้วก็ยิงเราก็ต้องยิงระมัดระวัง อย่าไปให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะการกระทาของเราความคิดของเราการกระทาของเราการพูดของเราคิดดีทำดีพูดดีตรงระวังคิดนี่คื อ, ค อ, คอทำทำในใจคือพระธรรมต้องรักษาใจแต่ว่ากระทาลงไปหรือพูดลงไปจะเป็นวินยัยเป็นศีลเป็นวินยัยเป็นกฎหมาย กฎหมายในคุ้มครองได้กายกับวาจาศิลกัคุ้มครองได้กายกับวาจากายคือร่างกายคือการกระทำวาจาคือคำพูดแต่ทำธรร ม, มะคือเหตุผลคือความถูกต้องเขาไปคุมใจไปควบคุมดูแลใจใจคิดเรื่องอะไรถ้าว่าใจคิดไม่ถูกคิดเปลียดเปลียนคิดพยาบาท คิดอาฆาตคิดโลภคิดไปในทางที่เป็นอกุศลทําในใจผิดธรรมถ้าทาออกไปถ้าคิดไปอย่างนั้นผิดผิดธรรมเพราะนั้นต้องต้องเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจควบคุมจิตใจต้องเอาธรรมะเข้าไปกลางดูแล้วก็ขีดเสน้นบรรทัด คิดอย่างนี้ถูกไหมคิดอย่างนี้ผิดไหมคิดอย่างนี้เป็นยังไงคิดอย่างนี้เป็นยังไงนี่แหละถ้าผิดธรรมแล้วก็ในเมื่อคิดคิดผิดธรรมแล้วมันนํามาใช้ทางกายกายมันก็ผิดไปด้วยนะเพราะมันผิดออกมาจากใจใจคิดแล้วพูดออกมาทางวาจามันก็พูดผิดไปด้วยเพราะอะไรเพราะมันผิดธรรมมันผิดกฎระเบียบมันไไม่เป็นที่ยอมรับ มันผิดกฎ ก, ฎกติกาแล้วใจมันผิดเนี่ยนี่แหละท่านถึงเอาธรรมเข้าสู่จิตใจถ้ากู้ใดมีธรรมในใจอย่างพระหานท่านมีธรรมล้วนๆเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหะจุดนั้นคิดออกมายังไงก็เป็นธรรมพูดออกมาก็เป็นธรรมเพราะใจของท่านเป็นธรรมใจของท่านบริสุทธิ์แล้วแต่นอกจากนั้นมาเนี่ยโดยมาก ต้องระมัดระวังใจที่เป็นทั้งยังมีกิเลสอยู่แต่บางครั้งทำไมครูบาอาจารย์ที่ท่านว่าได้สำเร็จมาผลทำไมท่านจึงพูดออกมาผิดก็กมีบางครั้งเข้าใจผิดก็มีพูดผิดก็มีทำไมเป็นไปได้เหรออันนี้คล้ายๆกับเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทาาว่ามีคนให้ข้อมูลผิดเนะ คอมพิวเตอร์ก็คิดผิดเหมือนกันนะเหตุไรเพราะว่าคนที่ยื่นคอมพิวเตอร์ยื่นเข้าไปเครื่องคอมเนี่ยคอมในตรงแต่ว่าผู้ยื่นเข้าไปผู้ป้อนข้อมูลเข้าไปป้อนข้อมูลแคสป้อนข้อมูลไม่จริงเมื่อท่านเมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็คิดปักปกปๆออกมาก็อย่างที่กดให้ข้อมูลเข้าไปมันก็มีอยู่ แต่ถ้าว่าท่านได้คบทบทวนอีกครั้งหนึ่งคนที่ยื่นข้อมูลก็ระวังให้ดีกันแล้วกันท่าถ้าท่านได้ทบทวนออกมาอีกคนยื่นคนคนป้อนข้อมูลเข้าไปให้ระวังให้ดีกันแล้วกันท่านปฏิบ ไ, ไว้ใครทั้งหมดนี่แอืมแต่บางครั้งมันก็ผิดพลาดได้เพราะการอยู่มันมีหลายเรื่องหลายราวจริงๆมนุษย์พนาเนี่ อจาหลวงพ่อเหมือนกันบางทีรับเรื่องหนึ่งพูดอันหนึ่งไปอย่างหนึ่งแต่ตามไม่จริงตัวหนึ่งมันก็ลืมแต่ตามไม่จริงตัวหนึ่งมันน่าจะมันน่ามน่าตัวนี้สําคัญกว่าแต่มันลืมไปในในช่วงนั้นแต่รับตัวอื่นเข้ามาอีกอสรุปแล้วก็คือคอมพิวเตอร์ของหลวงพ่อเป็นเออเลอร์เหมืนั้นเอีมันรับข้อมูลมันสับสนไปมันเบอร์เหันนะเออเออมันมันโหนบางที นี่มันปฏิเสธพอเหตุไยกระเพาะนี่ยะมันหลายเรื่องหลายราวจริงๆเรื่องที่จะป้อนข้อมูลเข้ามาบางทีก็สับสนไม่ใช่น้อยเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนไม่ว่าของใคระสมองตัวนี้ทุกคนที่หลวงพ่อยกตัวอย่างหลวงพ่อเนี่ยพวกเรางคงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่จะเป็นแต่หลวงพ่อสมองของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้น แต่เราไม่กล้าเทียบเปรียบเทียบสมองของพระรหันต์นั้นเป็นยังไงพระรหันต์ก็อย่างที่ลุงพ่อได้พูดเบื้องตน้นว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คนที่ยืน่นที่ป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยอาจจะผิดพลาดอันนั้นอีกส่วนหนึ่งสามัญชนทั้งหลายเนี่ยมันก็อย่างว่าไม่ริ้วเรื่องอะไรจนมีอะไรสับสวนวุ่นวายไปหมดอันนี้ก็ต้องแยกธรรมะเข้าสู่จิตใจเหมือนกันต้องอ่านต้องอ่านข้อกฎหมายข้อบังคับ คิดยังไงแห่จึิงจะถูกท่องคิดยังไงจึงจะเป็นธรรมคิดยังไงแห่จึงจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแห่มันต้องมีหลักขึ้นมาจะก่อนแนวความคิดนั้นจากนั้นเมื่อคิดดีแล้วก็ออกมาทางกายออกมาทางกายถ้าคิดดีแล้วมันก็ดีออกทางวาจาก็ดีเพราะอพราใจมีธรรม ทำมีหลายระดับนะไม่ใช่บริสุทธิ์ซะก่อนยังเป็นธรรมไม่ใช่มีธรรมมันมีหลายระดับระดับระดับกลางระดับหยาบกลางละเอียดระบบบริสุทธิ์มันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นพวกเราถึงระดับไหนก็ต้องให้พยายามกานกรองไตรตรองให้สุดความสามารถซะก่อนต้องมีขันติยับยั้งซะก่อนมีอะไรเกิดขึ้นขั น, ขนติคือความยับยั้งซะก่อนจากนั้นของวิริยะ มีความเพียรไว้ก่อนมีขันติไว้ก่อนอถ้าเราใช้ธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามายับยั้งตนเองหลายๆแนวทางจากนั้นก็ปล่อยออกไปทุกอย่างก็จะเป็นไปด้ความราพรึง่งเรียบร้อยถูกต้องทั้งกดีโลกและคดีธรรมราพรึ่งไปหมดแต่ถ้าว่าเราขาดความยับยั้งในจิตใจแล้ว ออมีแต่อารมณ์โโหโกเทาออกไปเป็นหลักรัก โ, กโลภโกรธหลงออกไปแล้วนั่นนะอันตรายเหมือนกันนะลับพรนอนุโมท น, นาให้พร